สมาทานเอาก็ได้ไม่ต้องรับกบพะระก็ได้สมาทิยามิเอมาเนอัฏฐศิขาประธานนิสมาทิยามิแปลว่าสมาทานเอาแล้วองค์อดุกบสดศีลเรียกว่ารักษาศีลแปดสมาทานเอาเรียกว่าเกียรตนาหัา่นภิกขเวซีหลังวราหมีเกียตนาว่าจะรักษาศีลก็ถือเอารักษาเอา ถ้าพูดกับพระแล้วไม่รักษาเอาเป็นบาปต้องรักษาให้ได้ตัว <c oughs> รักษามาฐานเอาจะท า, านตัน้งสองวันสามวันถ้าคิดแล้วไปว่าวันเดียววันนี้ก็หมดหมดไปแล้วจะคัะ่มแล้วก็ไปนับเ่าวันหนึ่งแล้วติ ด, ด <c oughs> <c oughs> อยู่แต่วั น, นพุ่งนี้มืัอเลื่นนี้ก็จะไปแล้วนั่นเห็นไว้ล่ะคำพูดก็ว่าไปถือศีลสามวันแต่จริงๆก็นในวันเดียว ถ้าออกไว้ไมมแล้วก็ไปทุมสี่ทุมห้าแหละฮะนี่เห็นไหมแต่เป็นนับเอาแต่วันเฉยๆนี่การปฏิบัติมันไม่เป็นศีลศีลคือบอดีสูตรนิ่งไม่ได้วุ่นวายถ้าออกไว้แล้วก็วบบุ่นวายเราไปทางทางโลกมันบังคับไม่อยู่แล้วเรื่องของโลกหลันอยากกล่ํารวยไปหางานด่ะาหลัญญนอยากรวยงามนี่เรื่องแค่นี้สองอย่างลนะ่ะทีญญ่อุบายของการปรุงแต่งมันไปอวิชชา เห็นหมู่เ <cœur> ห <brown> ็นพวกมันก็ชวนกันเรื่องนุ่นเรื่องนี้เรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องอะไรต่อนใดไปต่างๆนันนะยุ่งสนุกเมืองฝ่ามิต่แดดกับฝนสนุกเมืองคนมิต่กินกับเลนเห็นเปล่าถ้าสนุกแบบแต่เมืองสวรรค์เมืองพนิพพานก็มิตรแต่เห็นแต่แดดแต่ฝนแต่นั่นผมมีหน้าทมาด้วยย้อนกวนใจนะถ้าอยู่เมืองคนมิต่ เรื่องยั่วยวนควรกิเลสก็ว่าสนุกเมืองคนได้สนุกกินสนุกเล่นสนุกกินสนุกเล่นก็ว่าสนุกเหมือนความสุขของโลกียะโเลยก็เรียกว่าโลกียะสุขถ้าโลกุตฑลสุขไม่มีอมิตรมาเตื่อนบนคือไม่มีเครื่องมายั่วยวนควรใจ นันแะอามิตรรู้จักอามิตรไหมอามิตรไม่เกียปนแล้วอามิตรีะมาร่อรวงจิตใจของเราทําให้ฟุ้งซ่านทำให้วุ่นวายกว่าเลยแล้วแต่จะว่าไปถ้าจริงแล้วก็ไปว่าทําให้วุ่นทําให้ยุ่งเรื่องของโลกนั่นแหละคนเราชอบยุ่งคนเราเรื่องของคนเรามีแต่เรื่องยุ่ ง, งตรงนั้นน่เห็นไหมมาอยู่วันเดียวถ้าเราเข้าไปปฏิบัติธรรมนะพรุ่งนี้จะได้ปฏิบัติธรรมตลอดวันไหม ส่วนมากไม่ได้อยู่ตลอดวันนะเจอกับไปเพิ่โจมูโจพว ก, อ, อ, พวกอย่างนี้แล้ววันนี้ก็หมดวันไปแล้วยังไม่ได้ดูลมหายใจเข้าออกมารวมกันแล้วพรนาทีไหมยังไม่ได้ทำสมาธินั่นเห็นไหมละ่ะหมดวันหมดเวลาวันเวลาหมดไปหมดไ ป, ดไปบัดนี้เราทาอะไรอยู่ได้ถามใจตนเองบ้างไหมคำพูดว่าไปวัดทำบุญนะ่ะคำวัดไปถือศีล น, นั่น พูดคำสองคำผิดศีนลนะเด้ไว้ปากเสียศีลแล้วนั่นเห็นไหมศีลจะมีศีลบริสุทธิ์ก็คือนิ่งสงบนั่นถ้าพูดออกมาแต่าทาไม่ทําไม่ได้ก็แปลว่าผิดศีลแล้วเห็นไหมล่ะแต่้าเรื่องของทางโลกมันเปแต่เรื่องยุ่งยุ่งทางนั้นแหะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงเป็นสอนให้ไปอยู่คนเดียวนั่นโดยเฉพาะผู้นเน่งเข้งคัดในการสมาทานศีลแล้ว ถ้าสองรับยุ่งแล้วนีเหมือนลูกคลิกลูกคลิกสองลูกลูกเดียวกัยังบดังต่าได้ลูกขออีกเป็นสิบสิบลูกดังอย่างแน่ทีนี้เป็นลูกค้นรูปแบบนี้ต่าได้อีกวันนี้ลูกกิเลสอีกลูกแอบกิเลสจะได้หัวใจอ่ะถ้ามีมีคนเดียวใจเป็นหนึ่งแล้วมันก็ปกติด้ว ปกติกจิตป ก, ก, ก, กติสินปกติจิตปกติสินสินเป็นปกติดีแล้วนำสุขมาให้นี่ น, นี่ที่มันไม่นาสุขมาให้เพราะจิตไม่เป็นปกตินั่นโดยเฉพาะเรื่องของผู้คนมากคนนี่แหละตั้งแต่คนเดียวมันเป็นยังไงล่ะมันก็เป็นแค่นั่นสองคนเข้าไปเริ่มเพิ่มเข้าไปสามคนเข้าไป แบกออาไป 3, 4, 5, 6, 7, 10, สา5สี่ห้าหกเสิบท่าไรมากเท่าไรก็ยิ่งแบกพราฮ า, าเวปันจักขันธาฮะเข้า <c oughs> ใจของง่ายๆนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงเป็นวาจาว่าทมที่เราตถาคตได้ตัถรูปมันยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทำได้มาได้แต่งตัวเขาขาวเขาวัดไปถือวัดไปวัดตําศิลมาจากวัดไปถือวัดถือศิลไปวัดไปถือศิล คำพูดปันพูดได้แต่คำพูดรนคำพูดไปพูดมาก็บปาประชดกันเมื่อถือสากปากถือศีลความปแล้วบัดปลาหน้าปลาหน้านี่ทั้งนึงก็ถือสา ก, ก่ะเบียแต่ตีหัวปลาเราคิดทั้งใจก็ บ, บาปอีกอยากยากกินเนื้อเขาก็เป็นบาปอีก ชิดจากแล้วก็ชิดไปฆ่าเขาอีกไปฆ่าเขาอีกนั่นซ้ำก็ไปซ้ำก็มีแต่เรื่องบาปเลยไม่ได้ดูทางโลกถันอยู่กับโลกไม่ทําไม่ได้มันก็ไปอีกล่ะไปใจละทีนี่ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นั่นแหะควรเป็นอยู่ของโลกนั่นหลวเจ้าจึงสอนให้พูดเสียสละออกจากโลกเราจึงได้ตัดออกเดยเที่ยงที่มันยุ่งพาให้ยุ่งกับผมเอาตัวนี้ออกแล้วก็เริ่มเข้าใจละทีนี้หมดภาร ะ, ะไปตัวหนึ่งเราก็ เร่งมาเร่งดูใจเท่านั้นแหละเพราะไม่ได้เป็นาระคิดว่าจะทำจํำทางนั่นคิดว่าจะทำจํำทางนี้คิดว่าจะแตง่งทางนั่นคิดว่าจะแตง่งทางนี้นะคร <c oughs> ับผูุ้ฏิเจ้าจึงสอนผู้จะเข้าบวชก็มาถามคําแรกที่สุดเจสา <c oughs> บอกคําแรกที่สุดเจสา <c oughs> เจสาคือผม <c oughs> เจสาโลมาณฆาดันตาตะโจ พะโจดันตาหนาค่าโลมาเจซาผมขนเล็บผันหนังให้พิจารณากลับไปกลับมาบ่ไม่ใช่ว่าบอกขั้งเดียวดิบอกให้กลับไปกลับมาดิได้บทพระกรรมฐานแล้วต้องเอาไปนั่งแล้วก็ไปพิจารณาอีกเดยไปท่องกลับไปกลับมาเห็นให้เห็ น, หหนพระกรรมาฐานทั้งห้าอย่างให้เห็นเป็นไปตามความจริงรู้จักบอกสิว่าความจริงเป็นอยงไรอ่ะ เดทุกวกันบ้างได้หรอเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนั่นมเป็นหายางนี่สามจุดสองยางนี่อาการสามจุดสองอั่นอายังโคเมกาโยกายของเรานี่แร่นั่นเห็นไหมล่ะพูดไปพูดไปพูดไปไล่ไปใช้สติดูไปตามคําพูดนั่นแหละไม่ใช่แต่พูดแต่ปากคือเกสติไปไหนล่ะไปบ้านไปช่องไปนู่นไปนี่ไปการไปงานไป <c oughs> มีเรื่องปัญหาอะไร โดยเฉพาะทางโลกส่วนมากผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะในเทศกาลเข้าพรรษาในเมืองไทยหละกันจะมาบวชหลวงปู่ฉันจะมาบวชในพรรษาตลอดพรรษานั่นบางคนก็ <c oughs> ยังไม่ถึงกลางพรรษาเราจากจะออกไปแล้วมีปัญหาแล้วถามมันมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาหลวงปู่เรียบร้อยทุกอย่างมาถึงนิดๆหน่อยๆเออมีปัญหาแล้วนั่นเห็นไหมล่ะกิเลสปัญหาเรื่องแล้ว คนอื่นหาเรื่องใส่บ้างตนเองหาเรื่องบ้างปุงแต่งโดยเฉพาะทุกวันนี้เรื่องติดต่อภายนอกมันเยอะนั่นถึงกับระเบียบมในวัดของท่านพระเจ้าประสงค์มาสัมมาคารวะวันนี้นั่นถ้าไม่ถือศีลตั้งแต่เจ็ดวันสิบห้าวันหนึ่งเดือนขึ้นไปล้วไม่ให้อยู่วัดไม่ให้รับศีลแปดน่นเห็นไหมล่ะ เก่งในท่านทำได้วัดตัวงท่านทำได้ดแต่ของเราถึงไม่มีกำหนดกฎเกณฑก็ ย, ยังยุ่งแค่นี้เห็นไหมยังไม่มีคนอยากจะเข้ามาละปล่อยลงเท่าไหร่ก็ไม่อยากสนใจละมาวันเดียวเวลาเดียวมันยุ่งเวลาเดียวมันยุ่งนั่นเห็นไหยิ่งเอาอย่างนั้นนะยิ่งจะไม่สนใจละดีแล้วไม่ได้เข้าวัดไปก็ไม่ถือระเบียบเกณ่งคัดไม่ได้อยู่ สิบวันที่สิบวันอยู่ไม่ได้ยิ่งสบายใจไม่ต้องเข้าไปหรอกเราอยู่ทั้งโลกยิ่งไปใหญ่เลยกิเลสยิ่งชอบเลยถ้าเรื่องว่าไม่ไปวัดมันยิ่งชอบนะ <c oughs> เพราะมันเป็นเครื่องขัดกิเลสการไปวัดไม่ใช่เดีทําทำตามใจชอบนะเป็นเครื่องขัดขวงกิเลสทำมะคู่แข่งขันแข่งขันกับกิเลสรู้ลบกับกิเลส ถ้าไม่มีสติปัญญาศรัทธาคุมเพียนแก่กล้ากินสู้กิเลสไม่ได้ที่ตะแพ้เขาอยู่ต่ำไปจัางนั้นเพอเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงเลย อ, ออกปากออกวาามันจากที่สามันชนคนธรรมดาจะทำได้ทำอยู่อย่างเราเห็นกันอย่างนี้ทำก็ไม่เอาจิงกัาจังทำอยู่ทำอยู่ยดูอยู่แต่ไม่ดูกิจจังิง ดูจริงจริงดูจจริงจังจเห็นจริงลูกจริงดูจริงยู่ยิ่งเห็นจริงลูกจริงเห็นยิ่งน่นเพราะฉะเรื่องเครื่องบริกรรมทําให้ใจมีเครื่องอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังเอาไว้พิจารณาว่านี่ควรเป็นจริงของผมขนเล็บฟันหนังนี่มันไม่สะอาดที่เราว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดสังขารร่างกายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แหล ให้ให้ให้ใจเห็นชัดชัดบางแห่งบางสำนักก็ไม่แปรบางแห่งบางสำนักก็แปรใต้เจสาโลมานาคาดันตาตาโจตาโจก็ว่าไปเฉยๆไม่แปลเดือมคือตาตาโจคือหนังมังสังคือเนื้อเจสาคือผมโลมาคือขนนาคาคือเล็บดันตาคือฟันตาโจคือหนังมังสังคือเนื้อนาฮารูคือเอ็น อะไรตอนแก็ไล่ไปถึงสาบสอประการแต่ข้อใหญ่ๆให้สอนให้หข้อนั่นแหละถ้าเห็นหข้ออย่างอื่นก็ไล่เข้าไปอีกจนครบส .2 วันหนึ่งมันก็แป๊เดียวเท่านั้นแหละแต่เราเราจะย่อยไล่กับไล่ให้จิตใจของเราอยู่ในกรรมฐานพรกรรมฐานวิหารธรรมเครื่องอยู่ของใจคือพิจารณาเรื่องพระกรรมฐานซึ่งมึนเป็นจริงคือ มันไม่สะอาดนั่นนะให้ลูกยิ่งเห็นตามความเป็นจริงคือสังขารร่างกายเนี่ยมันไม่สะอาดนั่ น, นย้ำแล้วย้ำอีกแต่ <c oughs> ใจของเราไม่ยอมจึงได้ให้พระเจ้าจึงสอนให้ไปท่องบ่อยๆให้ไปดูบ่อยๆให้เป็นเครื่องอยู่เอามาบริกรรมภาวนาพิจารณานให้เป็นไปเพื่อความเบื่อห น, น่ายอะทีนี้ทางโลกไม่ได้ออกมาพิจารณาว่าให้เบื่อหน่ายนะมีแต่พิจารณาเพื่อชอบ คือจากไม่เบื่อนายกับไม่เบื่อใดธรรมะเราใดเป็นไปเพื่อความเบื่อนายธรรมะเราใดเป็นไปเพื่อความรักชอบมันก็มีอยู่ในหัวใจที่หนึ่หัวใจของคนมันก็มีแต่รักแต่ชอบใช่ไหมหามาให้คนรักคนชอบหามาปรุงให้ตนเองรักชอบนัดีเท่าไหร่ก็ไม่ยอมไม่พอใจงามเท่าไหร่ก็ไม่พอใจหาปรุงหาแต่งเสกสรรเป็นเ่อเงินเดือนเงิน รายวันค่าจ้างเท่าไหรเท่าไร่ก็ไม่พอใช่เห็นไหมมันจะพอใช่ยังไงเรื่องของกิเลสอะไม่ใช่เอามาอยู่มากินมารับประทานสมัยก่อนโอ้ยขอให้มีตรตะเข่าเยี่ยวเราเราบด้เยี่ยวของกับแนวอยู่แมงกินยากแล้วมาสมมูลนี่โอ้ยมิตรเกลื่องหล่อลวงย่ยวยย ว, วนกวนกิเลสบุงแต่งเสกสันปัญญารดโดยเฉพาะประเทศไทยเจี้งยุ่ง เขาละล่านอาหารล้านหนึ่งไม่ตู้กี่อย่างล้วที่นี่สั่งเข้ามาสั่งเข้ามากี่ถ้วยกี่จานก็ไม่รู้แล้วน <c oughs> ีของหวานของข้าวน้ำหวานน้ำข้าวเข้ามาอีกเสริมก็ไปอีกไปรู้อะไรต่ออะไรที่นี้เครื่องเล่นที่นีกินมากกว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้กินเครื่องเล่นเครื่องประดับประดาปุงแต่ง <c oughs> ไม่รู้เออพูดไม่ได้ ไม่สิ้นสุดเรื่องของโรกมันไม่สิ้นสุดพูดอะไรก็ยุ่งไปอยู่ในนั้นสู้ของพุทธเจ้าไม่ได้พูดกับพุทธเจ้าดีกว่านั่นดูลมหายใจเข้าออกเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องมีอะไรอีกแล้วอ <c oughs> มันไ ม, ไม่ไม่เกิดตรงไหนหรือมันมาเกิดตรงไหนหรือเห็นแตล่ลมก็หายใจเข้าออกทำไม่านัดไม่แต่านนั ก, กนมาเด่นหนักกันประเทศของพวกเราก็มาเด่นหนักพุโทโธพุโทโธเอาอะไรก็สอนพุโทโธพุโทโธพุโทโธ ถอนในพูดหรือพูดได้อยู่พุทโธใครก็ว่าพุทโธพุทธโธแต่ใจไม่อยู่ในพุทธโธถ้ารูลมก็รู้เองแหละถ้าลมไม่อยู่ไม่เห็นลมก็ถือว่าไม่มีสติแล้วนั่นก็หมายก็มาก็แปลว่าพุทธโธก็ให้จิตอยู่กับให้รู้ให้เห็นพุทธแท้ที่จริงพุทธโธพุทธะแปลว่าพู้ธรู้ให้รู้ถ้าแปลออกมาอีกรู้ลมก็รู้ลมก็ ไม่มีความหมายกับความหมายกับ <st> ลูกเหมือนกันดูลมใครลูกดูพุทโธกับลูกพุทโธกับพระแปะออกก็พูดลูกนะเห็นลมก็ต้องพูดลูกนั่นเห็นลมก็เห็นใจเห็นผููลูกถ้าเผยอะไรก็ไม่เห็นแล้วนั่นนายอยู่ไหมจีข้างกี่ขาวหรอที่วันหนึ่งวันนึงถ้าไม่บีบบังคับไม่กำหนดกดเกณฑ์ให้ตนเองไม่เตือนตนเองหรอกไม่ได้ทําแน่เลย พอออกไปเราไปปรงปปุงเรื่องนู่นไปปรุงเรื่องนี่ไปคิดอย่างนู่นไปคิดอย่างนี้ไปแล้วไม่ได้ไม่อยู่กับที่แล้วเฮยไม่อยู่กิฟต่าอยู่ออกไปมากบเบื่อหน่ายวินับแต่เวลาจะกลับทบันทีอ่ะวันนั้นจะกลับวันนี้จะกลับไปนู่นเราไม่ได้าบังคับกิเลสให้มันนิ่งวิ่งตามกิเลสเมื่อไรมันจะทันนะมันไม่เช้นสุดจะวิ่งตามหลังเขาเราทีนี้วิ่งตามหลังกิเลสแล้วมันบอกมาให้เป็นอย่างนู่นให้เป็นอย่างนี้ บงเรื่องเล่นเรื่องฮวเรื่องเจตุปัจจัยเรื่องเงินเร่อฟังเรื่องการเรื่องงานเรื่องบูงเรื่องพวกเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรต่อเลยมีแต่เรื่องยุ่งเข้าไปเลยนั้นนั่นนะเขาใหญ่ไหมโลกนี่วุ่นวายอ่ะต้องละเอียดนะเก็มาฝึกฝนอบรมให้มันละเอียดจริงๆนะจึงจะเลืว่ารู้ว่าอยู่ในโลกนี่วุ่นวายนะถ้าไม่ละเอียดจริงๆไม่รู้หรอกว่าวุ้นลายวุ่นวายคืออะไร โลกนี้คือหมูสัตว์พองอยู่เป็นนิดแต่มันพองอยู่ได้อย่างไรใจเราจะได้เอาไปปฏิบัติ ด, ดูแต่ <c oughs> มาพูดกันก็พูดแช่นั้นเทศก็เทศแช่นั้นเทศก็บอกให้ทําบอกหรือบอกให้ดูเทียบอาหารก็บอกให้รับประทานนะถ้ารับประทานก็รู้ว่าอิมมมอ่มมันเป็นยังไงละตินไม่อิ่มมันเป็นยังไง นี่ก็บอกดูบุญดอกดูบุญบอกแล้วไม่ดูก็ไม่รู้ว่าบาปคืออะไรล่ะอืยังพูดให้รู้ให้เห็นชัดๆอยู่แล้วบาปคือร่ำรวยสวยงามนั่นตัวนรกตะลบทนะลกใหญ่คือร่ำรวยสวยงามถทวันก็คือลมหายใจเข้าออกเห็นลมก็เห็นใจเห็นบุญ น, นั่นแหละตัวบุญคือตัวลมเราอยู่กับลมแต่ไม่ดูใช่ไหมเราอยู่กับบุญแต่ไม่ดูบุญ น, น, นให้ทําบุญให้ทําบุญ เข้าใจไหมให้อะไรมีอา น, นิสงส์ยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงก็คือให้ทําเป็นทานนั่นแต่เป็นพูดคําสั้นๆนะถ้าเอาบัรจาก็คือให้ทําบุญนั่นแต่พูดเขให้ทําก็ไม่เข้าใจให้ดูนั่นถ้าดูก็เห็นก็รู้ น, นเห็นไหมละ่ะเห็นลมเอาดูสิไม่ใช่ตาเนื้อดูนะตาเนื้อเห็นลมไหมมองเห็นไหมลมหายใจเข้าออก ดูไหมต้องใช้ธาตุผู้รู้กําหนดรู้ว่าลมเป็นอย่า ง, งนั้นอย่างนี้สัญลักษของความจําของลมเข้าลมออกนั่นตาเนี้มองไม่เห็นแล้วม อ, มองเห็นได้มองเห็นนรกนี่เรียกว่าตาสองลูกตานรกพอมองเห็นเลยร่ำรวยมองเห็นคนกับสวยงามไหมแต่คนนี่นั่ น, นตัวสองตัวเนี้มันสลับกันอยู่นี่ร่ำรวยสวยงามสวยงามลำ่ำรวย หามาแล้วก็มาปรุงมาแต่งให้สวยงามเพราะสวยงามเขาอยากร่ำรวยหาวิธีเอาอะทีนี้จะอะไรจงไงมาหากคดฮักกงหาต้มหัหลอกหาลวงหาปินป้อนหาการหางานไม่ได้คิดไปต่างๆนานาเห็นไหมยุ่งไหมล่ะนั่นโลกนี้มันยุ่งนั่นเห็นไหมไม่ใช่ว่าพูดเฉยๆเราต้องใจตัวนี้มันเห็นนะ นั่นแหละเพรา ะ, ะเพะตอนนั้นไม่ได้ดําริแหละผู้ที่หวังความพ้นทุกข์ไม่ได้ดําริเรื่องมั่งืมีเรื่องร่งํารวยดําริสิ่งที่ไม่มีทํำยังไงจึงจะไม่มีทํำยังไงจึงจะไม่อยากร่ํารวยจึงได้บอกย่ำแล้วย่ำอีกหากความมีออกจากใจให้ดําริในใจของตอนเองอยู่คนเดียวระวังความคิดระกับมิตรระวังคําพูดนั่น เพาะฉะนั้นผู้เจ้าจะตัดทรู่อยู่ในป่าพระองค์เดียวนี่เราไปอยู่คนเดียวไม่ได้นั่นมีปัญหายุ่งนั่นเดี๋ยวกับเราก็เป็นเพศผู้หญิงอย่างนู้นอย่างนี้เป็นคนเดียวไม่ได้อันตรายนั่นผู้ชายผู้ชายก็อันตรายเหมือนกันนั่นแหละถ้าจะพูดเรื่องอันตรายนะ <c oughs> ไม่ปล่อยไม่วางนะนั่นผู้ชายผู้หญิงก็มาทํารได้นั่น <c oughs> จะไปทําได้ล่ะทําอยู่ในคุณงามกลมดีเขาเรียกให้ปล่อยให้วางให้ปลงให้วางไม่มีใครทําอะไรเราไม่เคยสร้างบาปตร้างกรรมถ้าเคยทําบาปกรรมมาแล้วต้องประสบเหตุการณ์อยู่จังนั้นเลยคุยว่าจึงยกขึ้นพุทธการพระหมกกลาหรือพระอะไรนะ่ะภาษาลีบุตรองไรนะเคยเป็นพ้นไปพ้นไปฆ่าไปจีกรรับตัวนั่นเปียนบวชเป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องไปพวกโนยนทุเรศเขาก็กตามมาฆ่าอยู่ ถ้าไม่ฆ่าไม่ไล่เพราะยังมีกรรมอยู่เคยไปฆ่าเขาแล้วต้องให้เขาฆ่าเย้ะก่อนอถึงกำหนดเป็นรูปเป็นกายมันลาพระพุทธเจ้าเข้าไปนิพพานเนี่ยจนตนเป็นตัวมาเสียก่อนปล่อยให้เขาทุกข์เขตีเสียก่อนให้มันหมดกรรมหมดเวรกันเพราะนั้นจะสร้างกรรมมาเนี่ยพระพเจ้าจึงบอกกรรมหุกนาปฏิตรอดโกตัดโลกเป็นไปตามกรรมอันนี้นักภาคปฏิบัติเข้าไป มันไม่มีความสุขปลอกในโลกกันนี่พูดกันอยู่เที่นี่ <c oughs> าอายู่กี่ปีกี่เดือนแล้วก็พูดแต่เรื่องละถอนกิเลตสตนะฮาอาจารย์ที่นี่คนรู้กิเลสไหมที่นี่ถ้ามันรู้กิเลสมันก็ไม่ยากเลยมันไม่รู้กิเลสดีก็ไม่ดูบุญก็ไม่เห็นบุญนะ <c oughs> หรือว่ามันรู้นรกไงกิเลสหรือนรกนี่แหละถ้ารู้จนนี่หรอกไปยุ่งทําไมระล่ะลํำรวยกับสวยงามแต่ใจของค น, นก็อยู่กับระล่ำรวยสวยงามเอาพูดลงไปสิ ถ้ามันอยู่จุดเนี้มันกับบริวารของตัวโลกโกรธหลงมันก็เต็มอยู่ในนั้นแหละถ้าตัวใจมันมีอยู่แล้วกา <c oughs> จัดมันออกนหะครับมรวยสวยงามออกไม่ออกมันเป็นยังไงนะ่ะใครไปบอกได้ปัจจังรู้จาเพาะตนนั่นนำ ร, รวยสวยงามออกจากใจหรือไม่ออกจากใจรู้อยู่แก่ใจไม่ต้องไปถามที่ไหนถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือใจของเราถามใจของเรานั่นแหละ พุทธะแปลวูรู้ถามใจของเราใจของเรารู้อย่าเล่า ว, ว่ายังคิ้งไม่ได้ยังรักอยู่สวยงามยังอยากได้อยู่กับร่ํารวยมันก็อยู่จุด น, นี้เอาไปถามใครละ่ะเขาต้องถามที่ใจเราเรายังรักอยู่เรายังอยากร่ำรวยอยู่นั่นมันก็มอีอย่างนี้แล้วถ้ามันหมดไปไม่มีมันก็รู้อยู่แก่ใจนั่นเห็นไหมคาของพระเจ้าพูดรู้รู้เองเห็นเองรู้อะไรรูกใจตนเองว่ามีรักหรือเปล่ามีโลคหรือเปล่า <c oughs> เป็นแน่นักเสียจังเดียวที่เราไม่ทําให้ติดต่อกันเห็นไหมอย่างแต่บัณฑิตบันฑพระอย่างผู้เจ้าหนุ่ยจ่าได้มีวันฑิตวันฑพระอย่างก็มีแค่นี้แหละคนไทยมีจีคนมาอยู่ที่นี่ไทยแล้ไทยนับถืออะไรนับถือศาสนาอะไรนับถือศาสนาพุทธนั่นนับถือศาสนาพุทธยังไม่รู้ว่ันฑิตบัณฑพระมันจะว่าอะไร <c oughs> มันทิ้งไม่ได้นะถ้าพูดแข็งคัด เชื่อมั่นในคำสอนของผู้เจ้าจริงๆถึงวันพระแล้วนัะนเราทำไม่ได้เราจะไปทานทำไมข้าว <c oughs> ู้เจ้าสอนคนไม่อย่างั้นเราก็ถือว่าเราไม่เป็นคนแล้กถ้ารักษาศีลไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนหรอกผูเจ้าหามาสอนคนไม่ใช่มามาหาสอนพูดผีปีศาจไม่ใช่มาสอนคนตายดิผู้เจ้าสอนคนที่มีชีวิตใจ่ใช่ใช่ไหม เราเป็นคนไห่ล่ะถ้าถามเขาไปจุดนี่สิถ <c oughs> ้าทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้แล้วมันแต่แช่แทนี่ก็ทำไม่ได้เห็นไหมบางเ <c> ม <oughs> ืองก็เลยพระเจ้าประสงค์มาอยู่อวดอยู่ตรงนี้มาโชว์อยู่ตงนี้ยังไม่สนใจว่าเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> เพื่ออะไรพวกนี้เขาปฏิบัติเพื่ออะไรท <c> ำ <oughs> ไมไม่สนใจไปจศึกษาบ้าง ไม่แปลกใจไม่อยากคิดไม่มีความจำดิแล้วไม่ไม่มีความนึกคิดเลยเรา <c oughs> ยินแต่ก็ว่านั่น <c oughs> ไปวัดทําบุญไปวัดทําบุญก่อนินแต่ก็ว่าใจของเราไม่สุนทกสนใจเหตุผลที่ว่าพระคืออะไร <c oughs> ความสุขคืออะไรน <c oughs> ั่นทีนี่ความสุขมันมันไปพิจอยู่เพราะสุขเพราะร่ำรวยเพราะสวยงามนะ <c oughs> เพราะมีอยู่แล้วไม่เดือดร้อน นี่บ้านอยู่บ้านใจบ้านตัวไม่เป็นนี่เป็นสินมีบานมีงานทําสมบูรณ์ดีแล้วนั่นไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็นั่นสุขแล้วนั่นนี่มันโลกียะสุขนะสุขในโลกสูขต่างโลกแต่ไม่เที่ยงนะนั่นบางทีสิ่งของไม่หนีจากเราเราก็หนีจากเขาไปคือตายจากน่และไม่เที่ยงแท้ดิมีนู่นว่ามีนี่ความสุขจากนู่นอย่างนี้นั่นที่นี่ความสุขของพระเจ้ามันไม่หนีจากใจ เสียชีว ko. ิตแต่ผมก็ตามใจไปนั่นมันไม่เหมือนสุกแบบโลกิยะโลกุตระที่ว่บอกว่าให้ใจให้ใจลูกใจเห็นใจลูกใจเห็นหาอาหารให้ใจให้แตกใจให้รักษาใจรักษาทํำไมร่างกายเดี๋ยวก็เท่าก็แย่เดี๋ยวก็เจ็บก็ตายเดี๋ยวก็ไปเป็นอย่างนั่นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้อยงนั้นเห็นไหมนะมันตัวเราตรงไหนใจมันเจ็บตรงไหนมันป่วยตรงไหนมันแก่ตรงไหนมันตายตรงไหน เชื่อไหมในตัวของเรามีกายก็มีใจอ่ะนี้ไม่ได้การกองคิดหาจุดนี้นะตายเราศูนย์ <c oughs> ไม่มีหรอกใจตายเราศูนย์ศูนย์เรามีอะไรเกิดสัตว์เกิดมาทําไมสัตว์เกิดมาจากไหนมาจากใจของคนนั่นแหละนั่นถ้าหากไม่มีศีลธรรมของพระเจ้าอวัยภูมิตั้งสี่เป็นที่หวังได้หรือแต่เป็นแต่คําพูดเฉยๆละ่ะไม่ตนเองไม่ปฏิบัติไม่เห็นไม่ไม่เชื่อแหละจุดนี้ ไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นนั่นไม่เห็นว่าใจมีจริงไม่เห็นว่ามีสุขมีทุกมีไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีจริงเกิดมาแล้วตายแล้วศูนไม่เป็นไรเราตายแล้วก็แล้วไปมันสุขแต่พอเกิดมาแล้วเอานั่นคอยยังมีชีวิตอยู่ให้มีความสุขเต็มที่มันน่าอยู่อยู่ถ้าหากมันไม่เปลี่ยนแปลงจากนะจากภพภูมิของคนจากภพภูมิของมนุษย์ ถ้าไม่มีศีลธรรมอบัยภูมิเปตอุรกายสัตว์นริชานคนคนก็คนทุกคนยากคนพิกลพิ ก, การนไม่ได้เป็นคนอุรมสมบูรณ์หรอกนี่มันมีหลายประเภทคนคนฟังแต่ชื่อน่ะไม่รู้กีประเภทอะถ้ามีความเลิศความประเสริฐข้อบกจริงจึงยกขึ้นเป็นภูมิของมนุษย์มานะ <c oughs> เทวโลกพร ม, มโลกมนุษย์อยู่ชั้นเทวโลกชั้นพร ม, มโลก สวรรค์ชั้นพระอริยเจ้าขึ้นไปภูมิของใจใจสูงใจไม่อยู่ในโลกไม่อยู่ในโลกกิจะไม่รักไม่โลภถ้ารักถ้าโลภอยู่นิมก น, นํามาเกิ ด, ดอีกแต่ไม่เที่ยงนั่นีองมันไม่เกิดเป็นคนเหมือนเดิมรดยเฉพาะในหักคําสอนของปู่เจ้าห้าพันปีจากนี้จะเป็นยังไงละ่ะค่อนไปค่อนไปหมดไปหมด แต่หมดเพราะตัสานาเป็นอัไรนาอยู่กับคนจะหมดได้ยังไงมันก็หมดได้พดูปฏิบัติทำตามคําสอนของผู้เจ้าไม่มีก็แปลว่าหมดสิวิธีทาตามกิเลสคําสอนของผู้เจ้าซึ่งไม่ได้ทําตามกิเลสขัดกิเลสไ้แต่ต้องไปรู้ว่ากิเลสกับบุญคืออะไรด้วยนัถ้าไม่รู้ก็ทําตามกิเลสก็ว่าทําบุญนั่นะนั่นจึงละเอียดทำของผู้เจ้าเป็นของละเอียด ไม่ใของเล็กน้อยไม่ใช่ของง่ายๆนะ <c oughs> ยากที่มันสามัญชนคนธรรมดาจะทำได้แต่มีคนทำได้ถ้าไม่มีผู้ทำได้ก็ไม่มีเหลือพระสงฆ์ให้เห็นแล้วนั่ น, ม, นมีอยู่ผู้ที่จะปฏิบัติชนออกคนใจมีอยู่ยังมีอยู่นั่นพยายามไมนหนักภากปฏิบัติเข้าไปโดยนาตุกตนกุศลนอกต น, น, นทุกฐานญาติพี่น้องทางไกลทางไกลได้เสียสละมา การก็ดีรักษาศีลกดีเจอเมตตาปรมนาตามตำคำสั่งสอนของพรุทธเจ้าก็ดีเป็นบุญกุศลอันดับหนึ่งบุญกุศลส่วนนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุ ณ, รคณร พ, พระธรรมคุณพระสงฆ์หลวงปู่ลวงป้าพระเจ้าพระสงฆ์ใดปฏิบัติมาแล้วก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักรักษา อ, อกอุณ ญ, ญาณโยมดุลยันติพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญสุข ก, กายสุขใจหายจากทุกโศกโรคภยัยการงานจึงใดการงานจึงใดจงสําเร็จจงสําเร็จโดยเฉพาะได้รับธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจง จงภากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคาสอนของพระเจ้าแล้วมีดวงจิตดวงใจแต่เห็นสินเห็นธรรมในพระราตินี่เถิดหนุ่มนี่หนุ่มผูก็จะเดินทางไปงานชุมพระนวกกะไปก่อนไปกัหกวันเจ็ดวันตามกำหนดการศัตถะใส มีจิตจำเป็นไปได้คนไม่เข้าใจกักกบผ้วยการภาษาคือไปนั่นไปนี่มีไปไปจิตมีจิตจำเป็นติดตุ้มหาในมนต์ไม่งานประชุมเกี่ยวแก่คณะสงฆ์เงของพระสงฆ์เรื่องใหญ่บิดามารดาเก็บไข้ได้ป่ว ย, วย <c oughs> ดูแลด้านออกต้นได้านโมลูกหลานญาติพี่น้องอรต น, นาจากฟังเทศฟังธรงธรมไปสอนธรรม ก็ไปได้ตามเหตุกรณีมีเหตุจำเป็นอยู่ก็ดูไปดูแลกันไปปฏิบัติธรรมก็อู่เหมือนเดิมนั่นแหละไปก็ไปตามหน้าที่